สอะละกรณียวกักหมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังหนึ่งะละสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยกำลังเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์8ทําอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากภิกษุอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรรคมีองค์8ทําอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วเจริญอาริยามัสมีองค์8ปดทำอริยามัสมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลพึงทราบความพิดารณสูตรที่บริบูรณ์ตามพรนานาในคังคาเปยานข้างต้น ภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์8ทาําอริยมรรคมีองค์ดให้มากภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์8ทาําอริยมรรคมีองค์แดให้มากอย่างไร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 ภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทําด้วยกําลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดํารงอยู่บนแผ่นดินจึงทําได้แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยศีลดารงอยู่ในศีลแล้วเจริญอาริยมัชมีองค์8ทําอริยมัชมีองค์8ให้มากภิกษุอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมัชมีองค์8ทําอริยมัชมีองค์8ดให้มากอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอย่างลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดภิกษุอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วเจริญอริยมรตมีองค์8ปดทำอาริยมรตมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แล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 คือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิอันน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสูน่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดํารงอยู่ในศีลแล้วจเจริญอริยมรรคมีองค์8 ทำอริยมัสมีองค์แปดให้มากอย่างนี้แลพระสูตรที่หนึ่งจบสองพีชษสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพืชภิกษุทั้งหลายพืชชะคามและภูตคามทั้งหมด ล้วนอาศัยแผ่นด <that> ินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงเจริญงอกงามเติบโตได้ฉั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญอริยามรกมีองค์8ทํทำอริยามรกมีองค์8ดให้มากย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูรในธรรมทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีลดารงอยู่ในศีลเจริญอริยมรตมีองค์8ทําอริยมรตมีองค์8ดให้มาก ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมทั้งหลายอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะและถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญอเริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมทั้งหลายอย่างนี้แลพี่ชสูที่สองจบ สูว่าด้วยอุปมาด้วยนาคภิกษุทั้งหลายพวกนาคอาศัยขุนเขาหิมพ่านย่อมเติบโตมีกำลังเติบโตมีกำลังแล้วลงสู่น้องลงสู่น้องแล้วลงสู่บึงลงสู่บึงแล้วลงสู่แม่น้ำน้อยลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วลงสู่แม่น้ำใหญ่ลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วลงสู่มหาสมุทรสาครนาคเหล่านั้น ย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทสาคร น, นั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยศีดลดํารงอยู่ในศีลเจริญอริยมรตมีองค์8ทําอริยมรตมีองค์8ดให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูรในธรรมทั้งหลายภิกษุเมื่ออาศัยศีดลดํารงอยู่ในศีลเจริญอาริยมรตมีองค์8ทําอริยมรตมีองค์8ดให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพยบูรณ์ในธรรมทั้งหลายอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอนอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอนอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่ออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลเจริญอริยมรกมีองค์8ทำอริยมรกมีองค์8ให้มากย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพยบูรในธรรมทั้งหลายอย่างนี้แลหละนาคสูตรที่3จบ4 รุกขสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ที่น้อมไปสู่ทิศปราจีนโน้มไปสู่ทิศปราจีนโอนไปสู่ทิศปราจีนต้นไม้นั้นถูกตัดโคนแล้วพึงล้มไปทางไหนล้มไปทางที่น้อมไปโน้มไปโอนไปพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมนีฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุเมื like the way, the way, hence, the the ่อเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอนาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวอสักคะละถึง8เจริญสัมมาส ม, มาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวอสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหล รูปสูตรที่4จบ 5. กลุ่มพระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยหม้อภิกษุทั้งหลายหม้อที่ควา่าน้ำย่อมไหลออกอย่างเดียวไม่ไหลเข้าแม้ฉันใด ภิกษุก uh, ็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมัคมีองแปดทำอริยมัคมีองแปดให้มากย่อมคลายบาปอกุศลธรรมออกอย่างเดียวไม่ให้กลับมาภิกษุเมื่อเจริญอริยมัคมีองแปดทำอาริยมัคมีองแปดให้มากย่อมคลายบาปอกุศลธรรมออกอย่างเดียวไม่ให้กลับมาอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อเจริญอริยมัคมีองค์8ปดทำอริยมัคมีองค์8ให้มากย่อมคลายบาปอากุศลธรรมออกอย่างเดียวไม่ให้กลับมาอย่างนี้แหละกุมภิสูตรที่หจบ สูกะสูรว่าด้วยอุปมาด้วยเดือยภิษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตามมือหรือเท้าที่เปิดกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไว้ตรงแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกจากทาลายอวิชชา ให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งทิฏฐิไว้ถูกฉันนั้นเหมือนกันภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอาวิชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสักคะละถึง8เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอาวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งอย่างนี้แหลสูขสูที่6จบ เอาการสะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอากาศเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลมหลายชนิดพัดไปในอากาศคือลมทางทิศตะวันออกพัดไปบ้างลมทางทิศตะวันตกพัดไปบ้างลมทางทิศเหนือพัดไปบ้างลมทางทิศใต้พัดไปบ้างลมมีฝุ่นพัดไปบ้างลมไม่มีฝุ่นพัดไปบ้างลมหนาวพัดไปบ้าง ลมร้อนพัดไปบ้างลมอ่อนพัดไปบ้างลมแรงพัดไปบ้างแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากสติปฐานสีประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างสัมมาปทานสีประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอิทิบาทสี่ประการถึงความเจริญเต็มที่บ้าง อินสี่ห้าประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างภละห้าประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างโพชฌงเจ็ดประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างเมื่อพิสุเจริญอริยมัคมีองแปดทำอริยมัคมีองแปดให้มากสติปฐานสีประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างสมมปทานสประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอิทิบาสีประการถึงความเจริญเต็มที่บ้าง อินสี่ห้ประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างพละหประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างโพชฌงเจ็ประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักะ พิสูจทั้งหลายเมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากสติปฐานสประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างสมมติปทานสประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอิทิบาทสประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอินรี่ห้ประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างพละหประการถึงความเจริญเต็มที่บ้าง โคโงเจตประการถึงความเจริญเต็มที่บ้างอย่างนี้แหละอากาสสูตรที่7จบ 8. ปดะธมมเมฆสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝนสูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมฆฝนก้อนใหญ่ที่เกิดนอกฤดูการพัดเอาฝุ่นละอองทุลีที่ตั้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตรธานหายไปโดยฉับพลันแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมัคมีองค์แปดทำอริยมัคมีองค์แปดให้มากย่อมทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ภิกษุเจริญอาริยมรรคมีองค์8ทำอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากย่อมทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบโดยฉับพลันอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หเจริญสัมมาทิฏฐิละถึงแปดเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิรคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์แปดทำอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมทำบาปอากุศรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานสงบไปโดยฉับพลันอย่างนี้แหลปะปฐมเมฆสูตรที่แปดจบ ตุติยะเมฆสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเมฆฝนสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายลวมมรสุมพัดเอาเมฆฝนก้อนใหญ่ที่เกิดขึ้นให้อันตรธานหายไปในระหว่างแม้ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์แปดธรรมอริยมรรคมีองค์แปดให้มากย่อมทำบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้ว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 นาวาสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเรือเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกไว้ด้วยเครื่องผูกคือไวจอดอยู่ในน้ำหกเดือนพอถึงฤดูหนาวเขาก็ยกขึ้นบกเครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนตกรถย่อมเปื่อยผูกไปโดยง่ายได้แม้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบค้าไปโดยง่ายได้เมื่อภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบค้าไปโดยง่ายได้อย่างไรเคยภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง8 จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะพิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุจเจริญอริยมักมีองค์8ปดทำอริยมักมีองค์8ดให้มากสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบราบคาไปโดยง่ายได้อย่างนี้แหละนาวาสูตรที่1ิบจบ อาคันตุกะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยอาคันตุกะเรื่องเกิดขึ้นยุครงสาวถีภิกษุทั้งหลายมีเรือนพักคนเดินทางอยู่หลังหนึ่งคนทั้งหลายมาจากทิศตะวันออกบ้างมาจากทิศตะวันตกบ้างมาจากทิศเหนือบ้างมาจากทิศใต้บ้างเข้าพักในเรือนนั้นคือกษัตริย์มาพักบ้างพรามมาพักบ้างแพทย์มาพักบ้าง สูตรมาพักบ้างแม่ฉันใดภิกษุว่าฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอาริยมรรคมีองค์8ดให้มากกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้ละถึงละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละทำให้แจ้งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญ ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้เป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้นั้นได้แก่อุปาทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการอุปาทานขันห้5ประการอะไรบ้างคือ 1. รู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปและถึง 5. วิญญาณูปาทานขัน ปาทานขันคือวิญญาณนี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกําหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละเป็นอย่างไรคืออวิชาและภวะตันหานี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรละธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้งเป็นอย่างไรคือวิชาและวิมุตตินี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้ง ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญเป็นอย่างไรคือสมถะและวิปัสนานี้คือธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคมีองค์8ธรรมอริยมรรคมีองค์8ดให้มากกำหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรกำหนดรู้และถึงเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรเจริญอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้หนึ่ง จเจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอ า, าศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุจเจริญอาริยมรรคมีองค์8ปดทำอริยมรรคมีองค์8ให้มากกําหนดรู้ธรรมที่บุคคลรู้ยิ่ยงแล้วควรกําหนดรู้และธรรมที่บุคคลรู้ยิ่ยงแล้วควรละทําให้แจ้งธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรทําให้แจ้ง จเจริญธรรมที่บุคคลรู้ยิ่งแล้วควรจเจริญอย่างนี้แลอาคันตุกะสูตรที่สิบเอ็ดจบสิบสองนาทีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำภิกษุทั้งหลาย เรียบเหมือนแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนถ้ามูมหาชนพากันถือเอาจอบและตะกร้ามาด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะช่วยกันทดแม่น้ำคงคานี้ให้ไหลไปข้างหลังบ่าไปข้างหลังหลากไปข้างหลังเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรมูมหาชนนั้นจะพึงทดแม่น้ำคงคาให้ไหลไปข้างหลัง บาไปข้างหลังหลากไปข้างหลังได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีนหลากไปสู่ทิศปราจีนพระพุทธเจ้าค่ะใครๆจะทดแม่น้ำคงคานั้นให้ไหลไปข้างหลังบาไปข้างหลังหลากไปข้างหลังมิใช่ทาได้ง่ายแต่มูมหาชนนั้นพึงมีส่วนแห่งความลาบากเหน็ดเหนื่อยแน่นอน อุปมานี้แม้ฉันใดอุปมัยก็ฉันนั้นเหมือนกันพระราชามหาอมาตย์ของพระราชามิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตก็ตามเพงปรปวรณาภิกษุผู้เจริญอริยมัคมีองค์8ทำอาริยมัคมีองแปดให้มากเพื่อให้ยินดียิ่งด้วยโคกซับทั้งหลายว่ามาเถิดพระคุณเจ้าผู้เจริญผ้ากาสาวะเหล่านี้ทำให้ท่านเร่าร้อนไม่ใช่หรือ ท่านจะเป็นคนหัวโล้นเที่ยวถือกระเบื้องไปทําไมเชิญเถิดเชิญท่านกลับมาเป็นครหัตใช้สอยโพกซัพย์และทําบุญเถิดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นผู้เจริญอาริยมรตมีองค์8ปดทำอาริยมรตมีองค์8ดให้มากจากบอกคินศิกขากลับมาเป็นคราหัตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตนั้นอันน้อมไปในวิเวกโน้มไปในวิเวกโอนไปในวิเวกตลอดกาลนานแล้ว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 น้อมไปในวัวสักคะพิกษุทั้งหลายพิกษุเจริญอริยมรรคมีองค์8ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลพึงเพิ่มข้อความให้พิดารเหมือนพระสูตรฉะนั้นนาทีสูตรที่12จบพระกรณียวัคค์ที่12จบ พระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. พระสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกสูตร 5. กุมพสูตร 6. สูกะสูตร 7. อากาศสูตร 8. ปดฐมมะเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร สิบสองนาทีสูตรสิบสามเอสนาวัตรหมวดว่าด้วยการสแสวงหาหนึ่งเอสนาสูตรว่าด้วยการสแสวงหาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวที พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ามประการนี้การแสวงหา3ามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากรรม 2. การแสวงหาภพสาการแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหา3ามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอาริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้ง3ประการนี้ อริยมัคมีองค์8อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมัคมีองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้ง3ประการนี้ ภิกษุทั้งหลายการแสวงหาสามประการนี้การแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากาม 2. การแสวงหาพบ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมัคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้งสามประการนี้อริยมัคมีองค์8อะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิและถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้งสาประการนี้ ภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ามประการนี้การแสวงหา3ามประการอะไรบ้างคือ1การแสวงหากราม2การแสวงหาภพบ3การแสวงหาพรหมจรย์การแสวงหา3ประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการแสวงหาทั้ง3ประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเจริญสัมมาทิฏฐิและถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันยังลงสู่อมามตะมีอมามตะเป็นเบื้องหน้ามีอมามตะเป็นที่สุดภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้งสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายการสแสวงหาสาประการนี้ การสแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสแสวงหากรรม 2. การสแสวงหาพบ 3. การสแสวงหาพรหมจรรย์การสแสวงหาสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้ง3ประการนี้อริยมรรคมีองค์8อะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิ ละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันน้อมไปสูน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุพึงเจริญอริยมรรคใองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่งการสแสวงหาทั้งสามประการนี้ ภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ามประการนี้การแสวงหา3ามประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหาการ 2. การแสวงหาพบ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์การแสวงหา3ามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อกาหนดรู้การแสวงหาทั้ง3ามประการนี้และถึง ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงพึงเพิ่มข้อความเพื่อกำหนดรู้ให้พิดารเหมือนความรู้ยิ่งฉะนั้นภิกษุทั้งหลายการสแสวงหา3ามประการนี้การสแสวงหา3ามประการอะไรบ้างคือ 1. การสแสวงหาการม 2. การสแสวงหาภพบ 3. การสแสวงหาพรหมจรรย์การสแสวงหาสามประการนี้ ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อความสิ้นไปแห่งการสแสวงหาทั้ง3ประการนี้ละถึงภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แนี้ละถึงพึงเพิ่มข้อความเพื่อความสิ้นไปให้พิดารเหมือนความรู้ยิ่งฉะนั้น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 คือพิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. เจริญสัมมาส ม, มาธิอันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้เพื่อละการสแสวงหาทั้งสามประการนี้แหลพึงเพิ่มข้อความเพื่อการละให้พิดารเหมือนความรู้ยิ่งฉะนั้น เอชนาสูที่หนึ่งจบ 2. วิทาสูตรว่าด้วยมานะภิกษุทั้งหลายมานะความถือตัวสมประการนี้มานะ3ามประการอะไรบ้างคือ 1. มานะว่าเราเลิศ ก, กว่าเขา 2. มานะว่าเราเสมอเขา 3. ม, มานะว่าเราด้อยกว่าเขามานะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอาริยมรรมีองค์ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละมานะทั้งสามประการนี้อริยมรรมีองแปดอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้องไปในวัวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงจเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละมานะทั้งสามประการนี้แหลพึงเพิ่มข้อความให้พิสดารเหมือนเอสนาสูฉนั้น วิทาสูตรที่สองจบ 3. อาสวะสูตรว่าด้วยอาสวะภิกษุทั้งหลายอาสวะสามประการนี้อาสวะสามประการอะไรบ้างคือ 1. กามาสวะ อาสวะคือกาม2ภาวาสวะอาสวะคือพบ3อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8ดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะทั้ง3าประการนี้ละถึงภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8นี้ ละถึงอาสวะสูตรที่สจบ 4. ภวะสูตรว่าด้วยพบภิกษุทั้งหลายพบสามประการนี้พบสามประการอะไรบ้างคือ 1>, 1. กลามภพภพที่เป็นกลามาวจร 2. รูปภพภพที่เป็นรูปาวจร 3. อรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรภพสามประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละภพทั้งสามประการนี้ละถึงภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้ละถึงภวะสูตรที่สจบ 5. ทุกขตาสูตรว่าด้วยสภาวะทุกขภิกษุทั้งหลาย สภาวะทุกษาประการนี้สภาวะทุกขษาประการอะไรบ้างคือ 1. สภาวะทุกข์คือทุกข์ 2. สภาวะทุกข์คือสังขาร 3. สภาวะทุกข์คือความแปรผันไปสภาวะทุกขษาประการนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคเมองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละสภาวะทุกข์ทั้ง3าประการนี้ ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนี้และถึงทุกคตาสูตรที่5จบ